เมื่อทําตนให้ลําบากด้วยภาวะตันหาชื่อว่าเลยไปพวกประกอบด้วยการ ม, มาสุขในการ ม, มาตันหาอันนี้ก็ล้าอยู่พวกศัสตาทิฐิก็เลยทงพวกอุชเช ท, ทิทิถีก็ล้าอยู่พวกคิดถึงอดีตก็เลยไปพวกเพ้อหวังอนาคตก็ล้าอยู่ทิฐิที่ปราลบถึงอดีตเรียกว่าปุพันต า, าาตานุทิฐิก็เลยไปอภรตานุทิถิก็ล้าอยู่ภิกษุเว้นที่สุดทั้งสองที่สุดทั้งสอง กีค่คู่ห้าคู่เหล่านี้แล้วปฏิบัติตามมัชชิมาปฏิปทามไม่เล่นไปไม่เลยเไม่เล่นเลยไปและไม่ล้าอยู่นะถ้าหากว่าตกอยู่ในอุทะาจะานี่จเจริญโฉชงอะไรสมาธิสัมโฉชงปัจสัตทิสัมโฉชงและอุเบกขาสัมโฉชงถ้าโกสัจชะย่อหย่อนขี้เกียรแล้วจเจริญธรรมวิจยะสัมโฉชงวิริยะสัมโฉชงและปีติสัมโฉชง อันนะั้ถ้าทําตนให้ลําบากด้วยภวะตันหา น, นะภวะตันหากับประกอบการมาสุขด้วยการมมตันหาจะละตันหาก็ละด้วยสิกขานั่นแหละละสัสนะทิฏฐิด้วยพิจารณาความเสื่อมละอุเชททิฏฐิด้วยพิจารณาการเกิดอันในดะไม่เศร้าโศกถึงอดีตแล้วก็ไม่เพ้อหวังในอนาคตเพราะอะไรอดีตก็สิ้นแล้วในอดีตอนาคตก็จับ สิ้นไปส่วนปุพันตานุทิฏฐิก็มีทิฏฐิที่คิดถึงอดีต18ทิฏฐิทิฏฐิที่ปรารภถึงอนาคต44ิีทิฏฐิเรียกว่าทิฏฐิ62แล้วก็ถ้าเวนลัทธิมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดเหล่านั้นปฏิบัติตามมัชิมาปฏิปทาคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ไม่ข้องแวะกับส่วนสวดทั้งสองได้นี่แหละเรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่เล่นเลยไปและไม่ลาอยู่ ผู้ใดที่ปฏิบัติข้ามพ้นได้ดังกล่าวแล้วก็ก้าวล่วงซึ่งกิเลสเป็นเหตุให้เนื่นช้านะกิเลสที่เป็นเครื่องเนื่นช้าคือตัณหามา n และทิฏฐิอันมีเวทนาสัญญาและวิตตกเป็นแดนเกิดนะนะเวทนานี้เป็นเหตุตัณหา m า n ะทิฏฐิสัญญาก็เป็นเหตุแห่งตัณหามา n a ทิฏฐิวิตกก็เป็นเหตุแห่งตัณหาม a n a ทิฏฐิก็ละได้ด้วยมัชิมาปฏิปทานะ เป็นศิขาศีลอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเบื้องต้นเพิ่มพูนเป็นโสดาปฏิมกักสกทาคามิมกักอนาคามิมกักมีอรหัตตมะเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นก็ละอะไรละฝั่งในและฝังนอกเหมือนงูละคราบเก่าที่คล่ำคล้าฉะนั้นส่วนคาถาที่เก้าภิกษุใดรู้ว่าธรรมชาติธรรมะมีขันเป็นต้นทั้งหมดนี้เป็นของแปรพัน์ ไม่เล่นเลยไปไม่ล้าอยู่ในโลกพิกษูจนั้นชื่อว่าย่อมละซึ่งฝั่งในและฝั่งนอกเสียได้เหมือนงูละคราบเก่าที่ค่ําคร่าแล้วฉะนั้น น, นะก็คือรู้ว่าขันเป็นต้นเนี่ยเป็นของแปรผัน น, นะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นของแปรผันในหน้าสี่สิบสี่ย่อหน้าสุดท้ายบอกว่า สังคตะธรรมสังคตะธรรมคือขันธ์อายตนะธาตุที่เป็นโลกิยะเข้าถึงวิปัสนาเท่านั้นหมายค่าว่าขันธ์ธาตุอายตนะที่เป็นอารมณ์ของวิปัสนาชื่อว่าธรรมทั้งปวงสับพังสับพังเนี่ยนะสับพังรู้ธรรมทั้งปวงก็คือรู้ขันธ์ธาตุอายตนะนั่นแหละรู้ขันธ์ธาตุอายตนะโดยความเป็นของแปรผันวิตถังที่เรียกว่าแปรผันเนี่ยคืออะไรหน้าสี่ิห้าวิตถังเนี่ยแปรผันก็คือ เพราะความเป็นโดยประการที่พวกคนพานยึดถือด้วยอำนาจกิเลสคนพานยึดถือว่าไงยึดถือว่าเที่ยงแล้วมันเที่ยงไหมล่ะเอาก็ไม่เที่ยงที่เขายึดถือว่าไม่เที่ยงเพราะเขาอะไรเพราะเขาไม่มีไม่มีจิตตานุปัสสนาคนพานทั้งหลายก็ยึดถือว่ายั่งยืนคนพานทั้งหลายยึดถือว่าสุขคนพานยึดถือว่างามคนพานยึดถือว่าเป็นอัตตาคนพานจะยึดยังไงมันก็ไม่เป็นอย่างยึดรอกเนี่ยนะ เอยึดว่าเที่ยงแล้วมันเที่ยงให้ไม่แล้วแล้วยึดว่ายั่งยืนแล้วมันยั่งยืนไม่ล่ะถ้ายึดว่าสุกแล้วมันจะสุกจริงหรือนอกจากหลอกตัวเองเท่านั้นแหละแล้วยึดว่างามแล้วงามจริงไหมก็ไม่จริงถ้ายึดว่าเป็นอัตตาแล้วมันเป็นอัตตาไหมฟังให้รู้เถอะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของที่แปรผันเมื่อเห็นความแปรผันของสรพพสังขารทั้งหลายด้วยมัคคปัญญาด้วยมัคคปัญญาภิกษุใดแล่ไม่หลงโดโดย เรียกว่าแทงตลอดโดยไม่หลงและโดยอารมณ์รู้ว่าขันเป็นต้นเป็นของแปรผันเมื่อรู้ว่าเขาสิ่งเหล่านี้เป็นของแปรผันก็ไม่เล่นเลยไม่เล่นเลยด้วยอะไรไม่เล่นเลยแล้วก็ไม่ล้าหลังในหน้า44เนี่ยไม่เล่นเลยด้วยอุทจจะไม่ล้าหลังด้วยโกศชะไม่เล่นเลยด้วยภาวะตันหาไม่ล้าหลังด้วยกามตันหาไม่เล่นเลยด้วยสัสตติทิอ่านะไม่ล้าหลังอยู่ด้วยอุเฉททิทิไม่เล่น ไ ม, ไม่เล่นเลยด้วยอดี ต, ไ ม, นนตนะไม่เล่นเลยด้วยอดีตไม่เพ้อหวังในอนาคตเนี่ยนะไม่เล่นเลยด้วยปพันตานุทิฏฐิไม่ล้าหลืออยู่ด้วยปรันตานุทิฏฐิก็ปฏิบัติตามมัชิมาปฏิปทาก็ล่วงโลกทั้งปวงนะก็เหมือนงูที่ละคราบฉะนั้นส่วนคาถาที่สิบสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยนะ สิบ1 10, 11, 12, ิบ3ดสบสองสามคาถานี้ก็สิบสามด้วยสี่คาถาสิบ1 1บ13็สบสองสิบสามเนี่ยนะสีคาถาเนี่ยาาที่อาาัตกระถาธิบายรวบกันนั้นอ่านพร้อมไปเลยว่าภิกษุใดรู้ว่าธรรมชาติมีขันทั้งหมดเป็นของแปรผันปราศจากความโลภไม่เล่นเลยไปไม่ล้าอยู่ในโลกภิกษุนั้นชื่อว่าย่อมละซึ่งฝังในและฝังนอกเสียได้เหมือนงูละคราบเก่าที่คร่ำคร่าแล้วฉะนั้น ภิกษุใดรู้ว่าธรรมชาติมีขันเป็นต้นทั้งหมดเป็นของแปรพันปราศจากราคะไม่เล่นเลยไปไม่ล้าอยู่ในโลกภิกษุนั้นชื่อว่าย่อมละซึ่งฝั่งในและฝั่งนอกเสียได้เหมือนงูละคราบเก่าที่คร่ำคร้าแล้วฉะนั้นภิกษุใดรู้ธรรมชาติว่าธรรมชาติคือขันธาตุอายตนะทั้งหมดนี้เป็นของแปรพันปราศจากโทสะไม่เล่นเลยไปไม่ลาอยู่ในโลกภิกษุนั้นชื่อว่า ย่อมละซึ่งฝั่งในและฝั่งนอกเสียได้เหมือนงูละคราบเก่าที่คร่ำคร่าแล้วฉะนั้นภิกษุใดรู้ธรรมชาติมีขันเป็นต้นทั้งหมดนี้เป็นของแปรผันปราศจากโมหะไม่เล่นเลยไปไม่ลาอยู่ในโลกภิกษุนั้นเชื่อว่าย่อมละซึ่งฝั่งในและฝั่งนอกเสียได้เหมือนงูละคราบเก่าที่คร่ำคร่าแล้วฉะนั้น คาถาที่สิบก็คือปราศจากความโลภสิบเอ็ดปราศจากราคะสิบสองปราศจากโทสะสิบสามปราศจากโมหะก็คือราอความโลภราคะโทสะและโมหะเท่านั้นแหละที่เป็นความต่างกันนั้นจึงอธิบายในหน้าสี่สิบห้าย่อหน้าที่สองจากล่างว่าที่ชื่อว่าความโลภโลภก็คือความอยากได้นะอยากได้นั้นรวมเอาอกุศลทั้งหมดที่อยู่ในฝ่ายของโลภะเข้าทั้งหมดะนะเพราะว่า โลภะนี่เป็นอกุศลมูลที่หนึ่งหรือที่ชื่อว่าแห่งวิสมะโลภะไอความโลภนั้นนะบางคราวก็เกิดขึ้นในวัตถุทั้งสามคือในโภคาในรัฐและหมู่บ้านก็มันชอบได้หมดนะที่ชื่อว่าราคาด้วยสา ม, มารถแห่งความรันจวนอีกแล้วเข้าใจยากยากรันจวนเนี่ย ที่กล่าวว่าความโลภย่อมบังเกิดขึ้นในสตรีรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นที่ดาที่ชื่อว่าราคะราคะในการมาคุณทั้ง5ชื่อว่าโทสะก็คือการประทุษร้ายที่ชื่อว่าโมหะก็ล่มหลงโมหะก็คืออะไร 4-6 บอกว่าโมหะชื่อว่าไม่รู้อริยสัจสีก็เพราะเหตุที่ภิกษุนี้เกลียดเกลียดเลยนะใช้คว่าเกลียดพูดตรงตัวดี เกลียดอะไรราคะโทสะโมหะนั้นจึงเจริญวิปัสนาทำไฉข้าพเจ้าจึงจะกำจัดความโลภตั้งใจไว้เลยนะทำยังไงจะกำจัดความโลภทำยังไงจะกำจัดราคะทำยังไงจะกำจัดโทสะทำยังไงจะกำจัดโมหะก็เลยปฏิบัติตามนั้นนะนะด้วยอนุปัสนาเพื่อกำจัดราคะโทสะและโมหะก็เป็นผู้ปราศจากความโลภเป็นต้นพระองค์ก็ตรัสว่าเมื่อแสดงถึงการละฝังในและฝังนอกอันเป็นอุบายละโลภะอันเป็นเครื่อง แสดงความแปรผันแห่งสังขารและเป็นอ น, นิสง์แห่งการละโลภะก็เลยตรัสคาถาแต่นี้ในยะนี้คาถาที่ส4บสเลยนะคาถาที่ส4บสี่หน้าสี่คาถาที่สองจากลางว่าภิกษุใดไม่มีอนุสัยอะไรอะไรถอนอกุศลมูลได้แล้วภิกษุนั้นชื่อว่าย่อมละฝังในและฝังนอกเสียได้เหมือนงูละคราบเก่าที่คล่ำคราฉะนั้น อนุสัยเป็นยังไงในหน้าสี่สิบหย่อหน้ากลางว่าอากุศลธรรมเหล่าใดย่อมนอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานทั้งหลายเพราะอัตตะว่ายังละไม่ได้เหตุนั้นอากุศลมูลเหล่านั้นชื่อว่าอนุสัยอนุสัยมีเจ็ดคือกามราคาอนุสัยปฏิคาอนุสัยมานานุสัยทิฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยภาวะราคานุสัยและอวิชานุสัยอนุสัยนี่เป็นชื่อของกิเลสที่ถึงกาลังเนยนะถึง ธามะก็กเป็นกิเลส ท, ที่มีกำลังที่ยังละไม่ได้ได้ปัจจัยปั๊บสปา๊์ติดทันทีเลยนะฉับพลันมากแรงมากไม่เชื่อนะเจออารมณ์ที่สวยชอบเลยทันทีนะไม่เชื่อลองด่าดูสิอย่างเงี้ยโกรธทันทีเลยนั้นอนุสัยมันไวขนาดนั้นเนะี่ยไอ้ที่มันไ ว, ไวไฟแบบนั้นแหละเรียกว่าอนุสัยเพราะมันได้เชื่อปั๊บติดทันทีเลยนะ กิเลสที่เกิดขึ้นปราลบสังขารทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันเรียกว่าอนุใสหรือว่ากิเลสที่เคยเกิดในอดีตกําลังเกิดในปัจจุบันและจะเกิดต่อไปในอนาคตเรียกว่าอนุสัยอนุสัยมีอะไรเป็นมูลมูลคืออะไรมูลก็คือที่ตั้งแห่งอาการของตนที่สัมปยุต ด, ด้วยที่ชื่อว่ากุศลมูลเพราะมันไม่เกรเซมรากเลวมากรากไม่ดีรากแห่งความน่ากลัวที่ชื่อว่ามูลพระอัฏฐาว่าเป็นที่ตั้งแห่งสัมปยุต ธ, ธรรม ที่ชื่อว่าอกุศลมูลเพราะว่ามีโทษแล้วก็ที่ชื่อว่าอกุศลเพราะมันมีโทษผลของมันก็เป็นทุกมูลและอกุศลทั้งสองอย่างนี้ที่ชื่อว่าโลภโทสะโมหะเป็นอกุศลมูลมันก็เป็นทั้งอกุศลด้วยเป็นทั้งอกุศลมูลด้วยอกุศลมูลเหล่านั้นพระองค์แสดงไดว้โดยในยะเป็นต้นว่าีิสุทั้งหลายโลภเป็นอกุศลด้วยเป็น อกุศลละมูลด้วยโทสะก็เป็นอกุศลด้วยเป็นอกุศลละมูลด้วยโมหะก็เป็นอกุศลด้วยเป็นอกุศลละมูลด้วยอนุสัยเหล่านี้บางอย่างไม่มีแก่ภิกษุใดเพราะเธอละได้ด้วยมรคนั้นๆมรคนั้นๆแปลว่าอะไรแปลว่าโสดาปฏิมรละทิฏฐานุสัยกับวิจิกิจฉานุสัยสกทาคามีมรก็ทําปฏิคานุสัยกับการมราคานุสัยให้เบาบาง อนณาคามรมักก็กำจัดการมาราคานุตสัยและปฏิคานุตสัยได้อย่างเด็ดขาดอรหัตมักถอนมานานุใสภาวะราคานุสัยและอวิชานุสัยได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยนะเรียกว่าตามลำดับมักนั้นๆก็ถอนขึ้นเรียบร้อยถ้าถอนเสร็จก็ละฝังในและฝั่งนอกเนี่ยนะถ้าละฝังในฝั่งนอกได้แล้วก็ถอนได้เลยเหมือนงูละคราบเก่าที่ค้ำครานะ